มันที่เกิดขึ้นในทางกายค้ามีอาการอย่างนั้นจะแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำลักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำลักให้มันหายไปแล้วกําหนดติดภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปโู่หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้ตอนนั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยเอออะไรก็ได้ มันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเส้นเสียวข้องกับทางกายหรื อ, อน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่เติมกระบวนกึรต่อไปอันี้ก็เขาว่าน่ากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะขาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปเนิยกว่าปวดนอปวดน้อปวดน้อปวดน้อย อ, อยู่นั่นถ้าเจ็บไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันพนไม่ไหวก็คิดซะเตียนอิริยาบทก็มันก็หายไปเป็นไปเที่งว่าเรากาหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะ <c oughs> ถ้ามันเกิดเจรินาขึ้นมาเกิดปวด ถ้าเราสามารถที่จะกําหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างขับพันก็ทําแล้วมันจะหายปวดก็จิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีและอาการเจ็บปวดมันก็ไม่มีเพราะเวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ในเกิดจากกายส่วนอุเบกขาเวทนานั้นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะ ไอเรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางกายนี่เราฝืนไม่ได้หรอกอย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าอย่าไปทำอตมาเนี่ยเคยอดข้าวเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเราก็จะเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีเจเลเป็นเสื้ออยู่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 ทำอย่างนี้มันเป็นโทกไหมทําอย่างนั้นมันสุขไหมอะไรตํานองนี้มันรู้เหตุรู้ผลกันแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองถ้าหากเรายังยังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้ทุกสิ่อจะมาขอยืนยันว่าทุกสิ่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้ทุกสิที่ละได้คือละการไม่ทําละการไม่พูด แต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้เอาถ้าใครไม่เชื่อก็ลองลองลองพิงจารณาดูจุดของตัวเองก็แล้วกันการละเจริญทางกายก็คือศีลห้าข้ อ, อปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดช่วยกายเช่นการฆ่าการรักการประพฤติผิดในการการดื่มกินสุราเมรัยงดเว้นจากการทำสี่ข้อนี้ เป็ น, นละกิเลสทางกายเรืว้นจาโพูดปวดโดต่อเสียโคําทยาโคตรเพ้เอเจ้อเล้วไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่กายกับวาจาแต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมตื่นสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรต ความรา้ลมร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศสื่สมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นทัดที่สุดก็คือสติเราภาวนาจดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายักเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพ้่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติ สัมปชัญญะก้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐานนั่นแหละจึงจะเกิดเป็นการประชุมกล้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเราในไม่เจรมีสติสัมปชัญญะมีอริยมรรคประชุมกล้อมเติธมธรรมะที่ปัญญามันก็เป็นเจตสติฝังนั่นอยู่ในจิต จิตเป็นสื่สมาธิปัญญาสื่นสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองทีนี้เมื่อจิตเป็นสื่นสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของสื่นสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวคือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลส เจ็ดลักษณะของจ็ดเป็นแต่เพียงรู้สึโกโกรธโกรจโกร้รนรู้เย็นเท่านั้นแต่แต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาจจะมาขอถามดูดูว่า ไอ้คนนี้คนจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมใช่แล้วเขามีจิตหรือเปล่ากด้เวนาอหรือเปล่า่าเวทนานั่นมันก็มีอมาจารยอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนนีคนจริต ส ต, ติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีทาก็ไม่มีส ต, ติก็ไม่มีสภาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างตัวกายกับจิต ทีนีเมื่อจิตมือแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มือตายเป็นส่วนประกอบทําอะไรไม่สําเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างเึิดเป็นตัวเป็นตนเป็นโลกเป็นล่างขึ้นมามือตาหูจมูกเคลื่อนตายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาทห้าเจอประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทเค้นประสาทต า, าย แล้วก็ประสาทหัใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกเลือดซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีหลือคิดวู้เพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้ใกรู้จิตแต่หาระเบียบไม่ได้เปรี้ยเลื่อยเอปื่อยไปแต่เมื่อ มือสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสติสตินี่เป็นเจตสติที่ประกอบอยู่ในิตถ้าคนมือสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมือสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยสมัยชาติถ้าสติที่ได้ฝึกผลออกลม้ดยการแท่งทินิดในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมา กติเ่กำลังเราเรียกว่าพลังจิตเป็นอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่เนิกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการเนิกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการเปิดขัดเพ่งเพ่งเตียนเพ่งกระสินเพ่งอะไรก็แล้วแต่ ในเมื่อเจตมือเครื่องโลดเิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อเจตมือสติสัมปชัญญะดอขึ้นจิตก็มีพลังาหากราศัยการเชื่อมกสินก็สามารถใช้พลังจิตให้ประโยชน์ในทางนอกได้เป็นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆ เกณฑย่างพวกหมอมนุษย์ชาเศรษศาสตร์ทั้งหลายเกณนมนุ์ต่อตักเป็นต้นขาลําพังแต่เล็กในจิตว่าให้กระดูกเนี่มันต่อกันต่อกันต่อกันมันก็ไม่เกิดไม่ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมือคาถาอาค ม, มท่องบนท้องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องะระลึกของจิตเป็นส่วนประกอบให้ จิตกับจิตเนี่ยเกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตกับจิตเนี่ยเราจึงมือพิงทาความเข้าใจว่าจิตนี่สักแต่ว่านึกว่าจิตแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อจิตเข้าประกอบป็นเจอติตแล้วความจิตของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิง่งจิตอย่างที่เรามาหัดภาวนานี่ ขาดเพื่อให้จุดต้องเราเกิดสติมนืดกติเพิ่ ม, ตตมแสงขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความเพดของจิตนี้ให้มันมีระเบียบดีขึ้นมันจราศจากกันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พู ด, พดเมื่อจุดตของเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดส ต, ติ ว่ากันโดยธรรมดาก็ธรรมดาคือได้เอืกอกันหนึ่งไม่ใช่รับกษณะขาดสติอันนี้เกิดเช่นําหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถ้าหาการฟังเทศถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบ ในเมื่อสงบแล้วมันก็ไปค้นฟว้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสตดิอย่างการฟังเทศฟังไปฟังไปฟังไปถ้าหากว่าไอ้ปุมของผู้เทศกับปูมของเรามันไม่ตรงกันเจตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแลวไปค้นฟว้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคาพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติ แต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้เจิตมันดูกับคำพูดของผูโพูดพอเสร็จแล้วมันไม่จะลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นือมันเลร่มๆไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติ mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก <c oughs> มันป็นงิึงที่มือคนณมีประโยชน์ และมือความจึงตามขั้นภุม่มของเขาหลักวิคาเศรษศาสตร์เขาก็มีอความจึงตามขั้นภุม่มของเขาจป็นอย่างบนต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจึงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากเือว่าผู้ศึกษาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้แม้ในระดับตนขั้นปัญญาจนต้นคนหลวงปุภะตลาไส ก็เก่งในวิชาต่อปุตก <c oughs> ทีนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาศสยศาสตร์มาบริกรรมเลยมาท่องบนนั้นมันเป็นการผึดหรือไม่อันนี้เกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่ความโล้จกึงความโล่ความโล้เท่าเอาทันของพูดไทยพระพุทธเจ้าขอใชยวิชาศสยศาสตร์ในกล่าวจำเป็น ใครจะเหินไหมพระพุทธเจ้าใช้วาไสยศาสตรอะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือไสยาสตรเข้าใจปะอะไรที่เราท่องบน ซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยาศาสตร์เช่นข้องบนคาถาอาคนเช่นข้องบนอุลูยังโอู้ยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยาศาสตร์ ถ้าเราไปไหว้พระเนึ่งะทูตพระทูตขา้าพเจ้าไหว้พระแล้วองคนี้ก็ยิ่งสุขเราจะได้รางวัลที่หนึ่งอันนี้สยายศสตร์แต่ถ้าเราท่องบนเรียกลาบไหว้โดยมุ่งที่จะทําให้จกิดบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์ล้วนอาจจะเป็นคาถาในศาสนาความที่เขาท่องบนก็ตาม แต่ถ้าเราเอามาท่องบนก็ให้เกิดการสมาธิได้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอาศัฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราขอเออภาวนาพุทโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้ร่ําให้รวยอะไําำองนี่มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์วายพระพุทธ ร, รูปองเดียวนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งทั้งพุทธศาสตร์ แล้วแต่พวกนั้นจะกําหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็สยาาศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทําสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดดืนกลมเหวี่ยงน้ําจิตนั่นจใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอํานาจของเราเนี่ยรอกจากจะเป็นไสยาาศาสตร์แล้วยังเป็นนิพพาสมาธิสิ แต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริรสุสทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้ลนนนวนๆเราเราทำความรู้สึกของเรา วิ ย, ศยาศาสตร์บงอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมันมาเกิดความรุ้สืธรรมมาเกิดความอยุสื่ธรรมขึ้นมาเป็นอย่างสมมติว่าใจก็ตามเรียนมหา เ, เรียนพวกเสนอมหานิยมอา่าเรียนเสนอมหานิยมตารพรธเจ้า ว, ว่าเป็นติรัทธานาวิชานะเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติรัทธานาวิชาทําไมจึงว่าอย่างนั้นท่านได้กาหนดเอาตรงที่ว่า เมื่อเึงแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีลหา้าธรรอย่างไม่มีศีลหา้าว่างั้นเองอย่างเรียนมนต์นเสน่ห์เึงแล้วอยากได้ลูปขาวไก่ก็เอาถือถึงปไปจิกเอาให้เขาวิ่งตามอั น, นี่มันไม่ยึดถือธรรมเป็นการกดถือผมถือนแต่อย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่รับถือเราแล้วเอาวิชาพรมโดยกรมจิตกรมใจให้เขามารับถือเราอันนี้มันไม่ยึดถือธรรม เป็นการทำเยี่ยงสัตว์เอี้ยงขาิแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นเจองค์ก็ไม่ทำหนึ่งฮะก็เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนหนั้นคังหมดงอายัง <c oughs> อะไรทีอมือท่าขาต่อกระดูกบทหนึ่งจัตาโรยะถาปัตโตเอโกปัตโตอธิฐานนี้เกิดขึ้นเมื่อท่ามหาราชทั้งสี่เอาบาตรสื่อไปไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิฐานให้ของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระไถ่เจึงเอาบาตรทั้งสี่ที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อธิฐานเสร็ว่า จะ า, าโลจะขาปัโตเตโกปัโตอธิษฐานบาตร์นี้มีสีใบเราอธิษฐานเจตเพื่อให้บาตรนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าไทายไสยาาศาสยาาศาสตร์น่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นปุ่มของเขาคือมีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ไทยให้ถูกศีลธรรม แต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าตีรขาในวิศทางานั้นาาก็ฉะนั้นดิชาอาคมหรืออาวุธเป็นอย่างอาวุธเป็นอย่างปืนอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้แต่ในทางที่ในถูกต้องออ กิเลสค <c oughs> ำว่าจิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจแต่จิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากยังจะเห็นได้ชัดในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศเน์นอกอยากอนอกจากอยากจะโลธรรมะ แล้วก็ยืนอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานซิ่งเหล่านี้เป็นอาการของจิเลธทางนั้นแต่ว่าที่เรามีสิเลธเนี่ยมันเป็นถึงกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดตามกระตือรือร้นเป็นผู้ที่จะสร้างโลก เปิดสั้งหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจที่เล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวจันหานี่แหละความทะาเยอทยานมันเป็นตึงกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากมีอยากมีอยากเต้นเึิงมันเป็นวิสัยของคารวะผูกครองเรือนถ้าคารวะหมดอยากโลกมันมันถ้าคารวะหมดอยากแล้วโลกมันจะเสื่อม ต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้จิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์แต่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แต่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีตื่นเป็นขอกับเกิดของกษัตรใช้จิเลส ถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสในทางไหนก็ตามให้เลิกถึงสี้นห้าข้ออย่ากลวยอย่าลิเป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิเป็นโจรปล้อนอย่ากลวยอย่าช่อโปงโดยเอาสี่ข้ออธินาทานมาเป็นขอบสือ เลยยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองในอีกอันหนึ่งที่ท้าวพุธเรายังเข้าใจผิดและตั้นในทพาวปุทธเจ้าสิ่งหลายตีมาแล้วได้เห็นท่านผู้โรท่านหนึ่งเสียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัดเจ็ดจดเอ็ดจังหวัดตอนนี้นั่นมีเตียงเจ็ดุดเ็ดจังหวัด เมืข้อความตอนหนึ่งว่าคําสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างกระสงไม่ควรนํามาสอนประชาชนเพราะจะทําให้ประชาชนคิอเสียด ง, งอมืองอเท้าเช่นคําว่าสันโดษเป็นตน้นอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างกัะชับคำว่าสันโดษนั้แปลว่าความพอ ไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มืออยู่พอเท่าที่มืออยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตนนี่มาใช้ความาอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช่ปรือก็รวมลงแล้วก็คือว่าจะให้เกินขอบเขตของศีลห้ากันกัน มันอยู่ในหลักอันเดียวกันดังนั้นเอจางหนึ่งเศษห้าข้อเนี่ยะน่จาจะจกจะเป็นขอเกิดของการใช้เศษให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นโอบายตัดผลเพิ่มของบาปตรรวันนี้เรามีเศษห้าบริบูรณ์ถ้าเราเย็ดเศษห้าเป็นหลักปฏิบัติตลอดไปบาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบาก ท, ที่เราจะต้องไปรับ ในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุดติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่แข็งในศตือนห้าข้เราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเกา่าแทนที่มันจะมีน้ําหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทําเพิ่มก็ก็หนักขึ้นตี้หนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไปทําที่ไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรากดเว้นไม่ทําแล้วมันก็ยุดติดกันเพียงแค่นี้ ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปทางข้างหน้าเราไม่ได้ทแเราทำแต่ความดีผลเท่าของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเราฉะนั้นหลักการทาความดีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องทำดีทำดีทำดีทำดีอย่างเดียวส่วนั้นในเมื่อตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความตัวมาเป็นเครื่องพ่วงความดี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 เป็นของเบาบาปเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเกลื่อเทียดเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจการเรียนไสยาศาสตร์าสีดำไม่ใช่ลาสีเขาดำเพราะการเรียนไสยาศาสตร์ มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความทั่วเดียวว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปต้องก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสงาาส่าราศีไสยศาสตร์มันเป็นของกลางๆปวดเฉพาะหลักวิชาเป็นของกลางๆไม่ได้ทำให้คนหน้าดำหน้าแดงหรืออะไรได้ทั้งนั้น แต่ที่ทําให้คนต้องหน้าดําก็เพราะว่าใช้ไยสยศาสตร์ใต้สีฐานมันก็เหมือนเดิมกับคนที่ทําความทั่วบ่อยๆเนี่ยเิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดําอะไรทำนองนี้เหมือนกันด้วความไม่ซื่อย่างนั้นมันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็นตามกําหนดโตอยู่ที่จึตกับบริกรรมภาวนาเท่านั้น แล้วจิตมันจะค่อยสงบลงไปเองถ้าเราไปแปลกใจหรือใจไปทักท่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่นจิตมันจะถอนจากสมาธิจะถามอะไรบังเอิญมืออาจารย์ที่มนขลังนี่นั่นองค์หนึ่งเดี๋ยวนพอท่านภาวนาทมจิตสงบแล้วอจิตฐานจิตมันก็เกิดเราตโลกก็เกิดเครื่อนที่เิป่ายัง อาจารย์บางองค์ที่ท่านปลุกเสกของของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลุกเสกได้คือแล้วของนั้นมันจะกระโดดบางคทีก็กระโดดตือกันโผงขังผงขังขึ้นมาสมอ่าในสายโลกเสร็จของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนี่มีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเสกไม่ได้เรียนไสยาาศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโโอ่ใจที่อยู่ใกล้ ตัวท่านเลยะห่างประมาณสักเม็ดหนึ่งนี้กระโดดตือดานโผงผางโผงผางขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้ก็มีได้อํานาจของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกาหนดขอบเ็ดเอาไว้ว่านิผาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ย ให้มือตืนแล้วก็จเจริญเมตตาเนี่ยเสื่อผุดหัดจุดของโกภาวนาให้มือความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศลตื่นเนี่ย